ดูก่อนพรามและครห บ, บดีทั้งหลายบคุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยินดีในการฆ่าสัตว์เนี่ยนะมีความสุขในการฆ่าเป็นคนที่หยาบมือเปื้อนเลือดจิตใจเนี่ยนะใจเนี่ยตั้งมั่นในการเข็นฆ่าเหมือนกับว่าสมท า, านฆ่าเนี่ยนะไม่ละอายเนี่ยนะไม่ละอายใจเลยเนี่ยนะไม่มีความละอายใจภายในเลยไม่สงสารในหมูสัตว์ทั้งปวง พันคนที่ทำปานาติบาตเนี่ยก็คือคนที่ทำลายกุศลธรรมเนี่ยนะทำลายธรรมะที่มีอยู่ในใจอันนะทำลายเรียกว่าทำลายค่อนข้างสาหัสเหมือนกันนะบาปเหล่านี้เนี่ยนะดูเหมือนทำลายผู้อื่นแต่อันที่จริงแล้วทำลายตนตรงๆเนี่ยนะตัวเองเนี่ยเบียดเบียนตัวเองด้วยเจตนาที่ชั่วถ้าคนที่จะถูกฆ่าเนี่ยถ้าเขาไม่บาปหนาะมาจริงๆเนี่ยเขาไม่ถูกฆ่าหรอกแต่ว่าไ อ, ไอ้คนที่ฆ่าเนี่ยนะ น้อมไปที่จะฆ่าเนี่ยเจตนาเหล่านั้นเนี่ยมีโทษร้ายแรงเลยนะพันเจตนาฆ่านั่นแหละเป็นเจตนาที่ทําลายกุศลธรรมของตนทั้งหมดเนี่ยนะทำลายคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในใจของตนเรียกว่าประทุสร้ายตนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอนธรรมทางกายเป็นการทําลายกุศลธรรมทางกายข้อแรกข้อที่สองบอกว่า เป็นผู้ที่มักลั ก, ลกขโมยมีเจตนาแห่งผู้ที่มีความเป็นขโมยสิ่งใดเป็นของคนอื่นสิ่งใดที่เป็นอุปกรณ์ของของคนอื่นเครื่องปราบปลื้มใจของคนอื่นสิ่งที่เรียกว่ารั่วรว่าเป็นของคนอื่นเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าเป็นผู้ถือเอาแต่สิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ โดยเจตนาที่อยู่ในส่วนแห่งความเป็นขโมยเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วว่าของของผู้อื่นรู้นะว่าเป็นของของผู้อื่นจิตก็คิดจะขโมยเนี่ยนะคิดจะเอาด้วยทุจริตกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการลักการซ่อนการเคลื่อนให้ให้เคลื่อนจากฐานเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเจตนาเหล่านี้ก็ทาลายกุศลธรรมที่อยู่ภายในเนี่ยนะเจตนาเอาของผู้อื่นเนี่ยปทุสารายตัวในภายในปทุสารายอย่างไร ประทุสร้ายว่าเท่ากับแช่งให้ตัวเองเดือดร้อนต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเท่ากับว่าถ้าตั้งคําถามว่าในโลกนี้คนพอมีฐานะหรือว่ายากจนเนี่ยไหนามากกว่ากันแล้วคนที่น้อมไปเพื่อเว้นจากลักขโมยกับน้อมไปเพื่อจะขโมยอะไรมากกว่ากันเนี่ยนะเรียกว่าอย่าเผลอกันแล้วกันท่านกําแพงทั้งหลายใหญ่โตเนี่ยนะ ประตูบ้านทั้งหลายที่ติดจริงๆไม่ได้ติดแบบโดยมากทีแรกเลยไม่ได้คิดเรื่องโก้เรื่องอะไรหรอกเนี่ยนะคิดเพื่อป้องกัน น, นะคิดเพื่อป้องกันเพื่อปก ป, กปักรักษานานๆเข้าก็เลยประดิษฐานเออมันให้มันดูดีหน่อยดูงามหน่อยแต่ว่าพื้นฐานจริงๆก็คือป้องกันทั้งหลายเนี่ยนะป้องกันเรียกว่าเป็นการอารักขาอารักขาทรัพย์ทั้งหลายที่ตัวเองได้มาเพราะฉะนั้นเจตนาของผู้ที่เป็นขโมยเจตนาที่เป็นโจรคิดช่อคิดชนคิดโคดคิดโกงทั้งหลายแหล่เนี่ย เจตนาเหล่านี้เนี่ยที่มีต่อผู้อื่นนั้นะ เ, เป็นการทำลายกุศลธรรมของผู้นั้นเนี่ยนะแต่ว่าอย่างว่าคนที่ทำชั่วโดยมากก็ไม่มีฮิริโอตปะอยู่แล้วเนี่ยนะไม่มีกรรมสกตาปัญญารู้ผลแห่งกรรมที่ตัวเองกระทำลงไปว่ามันมีโทษเพียงใดเนี่ยนะทำลายตัวเองเพียงใดก็เท่ากับแช่งให้ตัวเองยากจนต่อไปในอนาคตไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเนี่ยนะ มันก็เห็นแก่สั้นใช่ไหมเห็นแก่สั้นแต่ไม่เห็นแก่ยาวว่างั้นเถอะพอเห็นแก่สั้นๆั้นพอไม่เห็นแก่ยาวยาวก็เลยสร้างแต่ความทุกร้อนให้แก่ตัวต่อไปในอนาคตอีกอย่างเป็นผู้ชอบประพฤติผิดในของรักของใครทั้งหลายเรียกว่าประพฤติผิดในกามเนี่ยนะละเมิดจารีตในหญิงที่มารดารักษาหญิงที่บิดารักษาหญิงที่ทั้งมารดาและบิดารักษา หญิงที่พี่น้องชายรักษาหญิงที่พี่น้องสาวรักษาหญิงที่ย่ารักษาหรือหญิงที่มีผัวแล้วหญิงที่มีอาดยาโดยรอบเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่หญิงที่เขาขคล้องพวงมาลัยให้ที่เรียกว่าหมายมั่นตันแล้วว่าคนเนี้ยจะเป็นภริยาของตนเป็นตน้นการที่ไปล่วงละเมิดในหญิงทั้งประมาณ9ก้ากลุ่มที่กล่าวไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเหตุแห่งกามมีสุมิจฉาจารย์ อันนี้ก็ทำลายคุณงามความดีทำลายกุศลธรรมที่มีอยู่ในตนอย่างเสียหายมากเลยแหละเพราะว่าอกกุศลเจตนาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเป็นไปเพื่อให้ได้สร้างพิษภัยเวรศัตรูให้แก่ตัวเองในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปถ้าไปล่วงกับยิงที่พ่อแม่รักษาพ่อแม่เขาจะชอบเราไหมเราก็ได้เวรขึ้นมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่ประพฤติการ ม, มีสุมิจฉาจาร์เป็นต้นจึงเป็นการสร้างศัตรูสร้างภัยเวรทั้งในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไป อย่างนี้แลพราหมณ์และเครือห่ บ, บดีทั้งหลายทั้งสามอย่างนี้จัดเป็นความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมจัดเป็นความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอทางกายสามอย่างด้วยกันเ น, นี่ยนะเป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสม <SPEAKER> เป็นความประพฤติที่ไม่ดีเป็นความประพฤติที่สร้างแต่ความเดือดร้อนให้ตัวเองในปัจจุบันและต่อต่อไปเป็นการถ้าเป็นนี่ก็ทาลายกุศลทลายฐานรองรับตัวเองอะนะทลาย ถ้าเป็นเรือก็มีพื้นเรือก็เจาะเนี่ยนะเจาะให้น้ําเข้าเรือในในเบื้องล่างอะ่ะเจาะให้น้ํามันไหลเข้ามาถ้ามีบ้านก็เรียกว่าแทบจะจุดไฟเผาเลยนะี่แสร้างความเสียหายให้แก่ตนเจตนาทั้งสข้อเหล่านี้เนี่ยจึงนับว่าเป็นประตูแห่งอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปพันเจตนาทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเจตนาทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้ เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปพราหมณ์และเครือาบดีทั้งหลายก็และความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมความประพฤติที่ทําลายกุศลธรรมความประพฤติที่ไม่สม่ําเสมอทางวาจาสอย่างเนี่ยนะนะความประพฤติเพื่อทําลายกุศลธรรมทางวาจาสี่อย่างอะไรบ้างพราหมณ์และเครือขาบดีทั้งหลายบคุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดเท็จ อันนั้นยินดีในการพูดไม่จริงน่นะไม่จริงอะแต่ว่าพูดว่าจริงอย่างเช่นเข้ามาสู่ที่ประชุมอยู่ในบริษัทอยู่กลางญาติทั้งหลายกลางพักกลางพวกกลางราชตระกูลเมื่อถูกนำมาซักเป็นพยานบอกว่านาะมาน่สินายขอให้พูดสิ่งที่คุณรู้ไม่รู้ก็บอกว่ารู้รู้อยู่ก็กลับพูดว่าไม่รู้ไม่เห็นก็บอกว่าเห็นเห็นอยู่ก็บอกไพ่ไปพูดว่าไม่เห็นเพราะเห็นแก่ตนก็มูสาวา บางทีเนี่ยเพราะเห็นแก่ประโยชน์ตัวก็เลยมุสาวทาททั้งที่ไม่จริงบางทีเพราะเหตุแห่งคนอื่นก็เลยมุสาวาทบางทีก็เห็นแก่อมิตรสินจ้างรางวัลเล็กน้อยก็เลยมุสาวาทเป็นต้นกล่าวเ ท, ท็จทั้งทั้งที่รู้อยู่เนี่ยนะเรียกว่าเป็นการพูดเท็จที่สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นหรือก็ในที่สุดก็สร้างความเสียหายให้แก่ตนก่อนทําลายสุจริตรมทางวาจาบัณฑ์คนที่รู้อยู่แล้วกล่าวเท็จเนี่ยนะ ยากที่จะรองรับกุศลธรรมทั้งหลายได้นนะยากที่จะรองรับความจริงได้เพราะว่าเขาล่วงเลยทำเอกไปคือสัจจะคือความจริงคือไม่พูดความจริงแต่ทีนี้คนที่พูดจริงเนี่ยถามว่าต้องพูดตลอดใช่ไหมไม่จำเป็นเนี่ยนะต้องเป็นกาลันยูบุคคลวาจาสุภาษิตนั้นเขามีองค์เนี่ยนะ ทีนี้ต่อไปความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมความประพฤติที่ทำลายกุศลธรรมความประพฤติที่ไม่สม่ําเสมอทางวาจาอย่างอื่นอีกก็คือเป็นคนที่พูดส่อเสียดที่เรียกว่าส่อเสียดตัวนี้ก็คือยุแย่เป็นคําพูดยุคําพูดแย่คําพูดสร้างความแตกแยกนี่นะพูดแต่คําพูดที่สร้างความแตกแยกฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างนูน้นเพื่อทําลายคนหมูน่นี้รู้นะว่าฝั่งนี้มันพูดฝั่งนู้นไม่ดีเท่าไหร่ ก็ไปพูดกับคาบข่าวเลยน่ะนะเป็นคนคาบข่าวคาบจะฝั่งนี้ไปบอกฝั่งโน้นว่าไอ้ฝั่งนี้เนี่ยทําลายพวกคุณอย่างไรบ้างเขากําลังวางแผนทําสร้างความเสียหายให้แก่พวกคุณอย่างไรหรือบางทีไปฟังจากข้างโน้นแล้วก็มาบอกพวกทางนี้เนี่ยนะเพื่อให้คนพวกโน้นแตกแยกกันคาบไปคาบจากบ้านนี้ไปสู่บ้านโน้นคาบจากบ้านโน้ น, น, น, นไปสู่บ้านนี้เพมันคนอย่างนี้คนเดียวเนี่ยนะหมู่บ้านแตกแยกทั้งหมู่บ้าน เรียกว่าถ้าอยู่ในวัดก็วัดมันอันวัดแตกแยกทั้งวัดนะั่นแะครอบครัวไหนถ้ามีคนแบบนี้ก็แตกแยกทั้งครอบครัวบ้านเมืองไหนที่มีคนแบบนี้บ้านเมืองนั้นก็แตกแยกถ้าสองเมืองที่มีแต่คนแบบนี้แล้วประองสงครามเกิดขึ้นแน่นอนนี่นะเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่สร้างความเสียหายให้แก่คือรคบใครก็สร้างแต่ความเสียหายให้แก่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะชื่นชมยินดีความแตกแยกกัน ส่งเสริมคนที่แตกแยกกันอยู่แล้วเพรา ะ, ะนั้นพอใจแก่ผู้ที่แตกแยกกันยินดีกับพวกที่แตกแยกกันชอบคนที่แตกกันเป็นพวกพวกผูก้แต่คําพูดให้แตกแยกกันเป็นพวกพวกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีการมาจัดลําดับแบ่งเช่าชนชั้นวัณนนะแบ่งพวกเขาแบ่งพวกเราอันะก็คือสร้างถ้อยคําที่ดูหมิ่นเหยียดย้คขัด ดูแคลนว่าแกอยู่ฝั่งนี้ฉันอยู่ฝั่งโน้นเป็นต้นเนี่ยนะก็คือสร้างความแตกแยกโดยประการทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะก็ทําลายกุศลธรรมทําลายสุดจริตธรรมมันกรรมเหล่านี้เนี่ยเวลามันให้ผลว่ามีครอบครัวก็แตกแยกกับครอบครัวมีลูกมีหลานก็แตกแยกกับหลานมีมีพักมีพวกก็แตกแยกกับพักพวกมีข้าวมีของก็แตกเสียหายหมดนั้นนะ มีร่างกายก็ยังแตกแยกเลยอย่างนั้นนะพร้อมที่จะแตกแยกพร้อมที่จะปริแยกกันทั้งร่างกายนะนะเพราะฉะนั้นเพราะเจตนาที่ที่เป็นคําพูดเนี่ยเป็นตัวที่พึงสังวรระวังเพราะคําพูดที่สร้างความแตกแยกเนี่ยนะใจเนี่ยมันแตกก่อนแล้วอันดับแรกใจมันแตกแตกจากอะไรแตกจากกุศลธรรมทั้งหลายแตกจากเมตตาแตกจากกรุณาแตกจากมุทิตาแตกจากสมถะแตกจากวิปัสสนาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตัวเองเนี่ยสร้างความ แตกแยกให้แก่ตัวเองภายในใจเหมือนกับหัวใจแตกสลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถ้าหัวใจร้าวสักสี่ห้าเสียงเป็นยังไงเนี่ยนะก็รับรองอยากที่จะมีชีวิตอยู่ได้ฉันใดคนที่มีคําพูดที่สร้างความร้าวรานแตกแยกทั้งหลายก็เหมือนกันกุศลธรรมทั้งหลายของเขาเนี่ยมันแตกเป็นเสียเส่ยงๆไปแล้วเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายกุศสารณะของเขาก็แตกแยกอยู่แล้วเขาแตกจากสารณะแล้วเพราะคําพูดของเขาที่ สร้างแต่ความแตกแยกคําันนั้เขาก็แตกแยกจากสาระจากศีลจากกุศลธรรมจากคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยเยอะแล้วมันจะต้องระวังว่าคําพูด <hours. S 1> ที่สร้างความแตกแยกเนี่ยนะคำพูดที่สร้างความร้าวราเนี่ยอย่างบ้านของเราเนี่ยถ้ามีแ ต, มแต่มีแต่ความร้าวเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรือเนี่ยถ้าเราอาศัยเรือเนี่ยเรือมีแต่รอยรั่วรอยร้าวเนี่ยเรืออันนั้นเนี่ยไปเจอคลื่นแรงๆจะเป็นยังไงบ้านที่มีแต่รอยร้าวทั่วไปหมด อันนะั้ถ้าพายุเข้ามาจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคําพูดเหล่าใดที่สร้างความร้าวรานให้กับคนอื่นตัวเองเนี่ยทำลายกุศลธรรมของตัวเนี่ยปนปี้หมดแล้วว่างั้นเถอะก็ก็เรียกว่าคําพูดที่สร้างความร้าวรานแตกแยกนั้นจึงเป็นเหตุแหง่งอบายทุกขติวินิบาตและก็นรกนั่นเองทีนี้ความคำพูดที่ทําลายกุศลธรรมเนี่ยนะคำพูดที่สร้างความเสียหายทางวาจาอีกก็คือเป็นคนที่พูดคําหยาบ พูดคำหยาบในชนิดไหนครับคำว่าคำหยาบระพูดแล้วเฉื่นใจผู้ฟังเลยเหาือนนเถอะคำพูดที่เชือดเฉือนหัวใจของผู้ฟังเลยเป็นคำพูดชนิดที่เรียกว่าค้อขอดค้อขอดเรียกว่าตัดสายสัมพันธ์เลยเคยเห็นไหมสมมติว่าถ้ามีท่อน้ํามันไหลเนี่ยนะมีสายยางมาไหลแล้วก็ไปมัดให้มันขอดเหมือนกับเส้นเลือดมันขอดอ่ะถ้าเส้นเส้นเลือดขอดแล้วถามว่ามันจะหล่อเลี้ยงส่งต่อกันได้อย่างไรเป็นคำพูดที่หยาบช้าต่อคนอื่น ว่าเป็นคําด่าด่าด้วยอักโกสัตถุเช่นด่าสัตว์นรกเนี่ยนะเอา ไ, a, ไม่ละคนด่าอยากเป็นไม่ละคําพูดที่เป็นคาําด่าคือค น, คนที่พูดเองยังไม่อยากเป็นเลยอ่ะนั่นแหละเรียกว่าคําด่าคือคือพูดแล้วตัวเองทํามว่อยากเป็นอย่างที่ตัวเองพูดไหมไม่อยากเป็นนั่นแหละคําพูดที่พูดโดยที่ตัวเองไม่ต้องการจะเป็นแบบนั้นแหละคำพูดเหล่านั้นแหละเรียกว่าคาําด่าเพราะฉะนั้นเป็นคําพูดที่เผ็ดร้อนเนี่ยนะเป็นคําพูดที่เผ็ดร้อนเรียกว่าเป็นคําพูดเน็บให้คนอื่นเจ็บใจ แล้วก็ใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นนั้นคําพูดคําหยาบปั๊บเนี่ยนะก่อนฟังกับหลังฟังเนี่ยต่างกันยังกับแบบริ่งกับหุ่นมันตกแบบดิ่งพระสุทาอเลยพราะงั้นเรียกว่ามันตกบูกบว้าเลยนะกำลังนั่งเปลื้มอยู่ดีๆเนี่ยนะถูกด่าปั๊บเ น, นียนะ่ยใจโน่นน่ะแป้ะหมดเลยเนี่ยนะนั้นคำดา่านั้นเป็นเ ห, นหตุให้จิตไม่เป็นสมาธิทำให้จิตไม่ตั้งมัน่นจิตใจสูงสูงต่ำต่เนี่ยนะเรียกว่าเป็นจิตที่หวาดผวาเนี่ยนะเป็นจิตที่หวาดวา มันก็คนที่พูดอย่างนี้ก็ทําลายกุศลธรรมที่มีอยู่ในภายในตนเนี่ยนะทำลายเจตนาที่เป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญที่มีอยู่ภายในตนนี้ต่อไปความประพฤติ ท, ที่ไม่เป็นสุจริต ธ, ธรรมเป็นความประพฤติชนิดทําลายกุศลธรรมเนี่ยนะไม่สม่ําเสมอทางวาจาข้อที่สี่สุดท้ายก็คือว่าเป็นผู้ผู้ที่พูดสําราพเชอรอเนี่ยนะผู้สําราพกแ็แปลว่าเหมือนกับอาเจียนเรี่ย ร, ราดทั่วไปหมดนั่นแหละ คือพูดที่ไม่พูดไม่ถูกเวลาเนี่ยนะพูดคําพูดที่บางทีก็ไม่จริงชอบพูดทิ้งที่ไรประโยชน์ไม่รู้พูดทำไมหมายความว่าพูดอยู่ตั้งนานแล้วจับประเด็นนั้นไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยผู้ฟังก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นเลยคนพูดก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นเพราะคําพูดทั้งหลายเหล่านั้นพูดไม่เป็นธรรมนะคือพูดแล้วไม่ได้รักษาสุขติโลกสวรรค์อะไรเลย มันคําพูดจึงไม่ใช่สังวรวิไนไม่ใช่ประหานะวินยัยเป็นคําพูดที่ไม่ไม่ประกอบด้วยศีลไม่ประกอบด้วยอินทรีย์สังวรไม่ประกอบด้วยยานะสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรเป็นคําพูดที่ไม่เป็นตะทางข้าประหารวิขำพนะาประหารสมุทเฉทประหารเป็นคําพูดที่สร้างความเดือดร้อนมันพลที่พูดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยน ะ, ะคำพูดเหล่านี้ทำลายกุศลธรรมของตน บางทีเนี่ยตอนพูดบางทีก็อาจจะเมา ม, มันเมาน้ำลายของตัวเองพูดไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็เพลดิดเพลินเชื่อเถอะคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะอยู่ไปเดี๋ยวก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใจบางทีหลายคนก็บอกว่าทำไมเนี่ยเจริญสมาธิจึงเจริญยากแท้ทำไมจิตใจมันช่างฟุ้งซ่านแท้ทำไมลำบากกายลำบากใจแท้ก็ถามว่าบาปเหล่านั้นไปเก็บไว้ไหนนะถ้อยคำที่เคยพูดแล้วพูดคำเหล่านี้กี่ กี่คำมาแล้วอ่ะทั้งชาตินะวันหนึ่งเฉลี่ยแล้วเราพูดวันละกี่ชั่วโมงอ่ะ